บุ๊กทูหกสบที่ธนาคารอูบานซีดิฉันต้องการเปิดบัญชียาเจลินอตวอริตีราชุนนี่คือหนังสือเดินทางของดิฉัน อเวและนี่ที่อยู่ของดิฉันออเมดซดิฉันต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของดิฉันยาเจลิมอุพาติตีโนวัตซ์ชุดิฉันต้องการถอนเงินจากบัญชีของดิฉัน ดิ l i นต้องการมารับใ a แจ้ v o g r บั u n a ดิฉันต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชีดิฉันต้องการรับ o บแจ a งยอดบัีดิฉันต้องการแล้งช็คเดิันท้กาับ้งยอดบัญชีดิฉันต้องการรับใบแจอช ทำเนียมเท่าไหร่คะโ k ลีคิสูตรอชคอวีดิฉันต้องเซ็นชื่อที่ไหนคะกดีเอรัมปตปีสตีดิฉันกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมันยาโอเชคนนี่คือเลขที่บัญชีของดิฉัน อ้วย่์มอร้อยรัชูเงินเข้าหรือยังคะดัลลี่ย์โนว s ตส์สติกาอ่ดิฉันต้องการแลกเงินยาเจลิมซามิอนตวัดิฉันต้องการเงินดอลลสหรัฐยาเทรบ a มอเมริก กา <Doll> รุณาขอแบงก์ย่อยค่ะที่นี่มีตู้เอทีเอ็มไหมคะสามารถถอนเงินได้เท่าไหร่ะคะ ใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้างคะ่เกุรกรุณาไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด